ก็พูดธูดสามเดือนข้าสปากนครอบครัวตลาการพูดจะพูดเย่างนั้นเร่งนี้เพื่อคิดกลเอาไว้เป็นเป็นใหญ่อะไรมาผ่านพูดกันไปบางทีก็ยืดยาวบางทีก็สั่นแแต่เรื่องมันจะเป็นสิ่งพูดนาเกี่ยกัรมนเรื่อนการเรียนมาใสตลับเวลา เราเเรียนมาอย่างไรก็ก็พูดเป็นไปตามแบบตามแผนเ้าศามาจนสามารถป่าแล้วแต่เรื่องมันจะเกิดขึ้นบางทีไม่เจอเอันน้แต่จะเกิดนั้นไม่มีออันน้อ น, นอนนนนื่นเกิดขึ้นเขาพูดเปนไปนด้านนี้จะรูมามา้สึกว่าพูดสมาธิมาติดต่อกันหลายวัน แต่วันจียีสดท้นี้สองทุกคืนทุกครนนี่วันนี้ก็ยังละพวกวันใหม่พวนีืมาอจะยินเดฟังวันนี้แต่ว่าอื่นกเเ็เคยยินมาเดยกันทังนั้นฟังในวัดก็ฟังในพิยุกเรื่องธรรมะของพระเจ้าเรื่งจิ มีประโยชน์แกโลกถ้าที่นี้ที่เจรานาหากไว้ที่นี้ที่เจรานากัวที่ว่าเรื่องธรรมะแต่เป็นของจําเป็นแต่กาจรงธรรมะเป็นเรื่องที่จําเป็นของพวกเราท่านทุกคนในว่านักบวชหรือครรว่าคนที่ไห น, นมีธรรมะก็ไม่แตกต่างอะไรกต่พวกสัดว์ การประพฤิฏิบัติธรรมะไม่มีคิดจะทำจะไปอย่างไ ร, รก็แล้วแต่เรื่องของใจมีวิ่อยกัญหามานาที่สิภายใ น, ในมันผักดันออกไปโลกอันนี้จะเป็นอย่างไรเราก็พอทราบได้หากคนไม่มีธรรมะสักษาใจคนจะต้องประพฤตไปตามเรื่องต่างๆ แต่ทำความเดือร้อนวุ่นวายแก่ตัวของตัวและคนอื่นทั่วไปนี่คือคนที่มีธรรมะภายในใจคนที่มีธรรมะภายในใจ้รระยใใจอยู่สถานที่ใดเด่นได้รับความเยือกเย็นเย็นสูงที่อยู่ร่วมก็ราะมีความสุขความสบายใดเนื้อเชื่อใจสึ่งต่างๆกั น, กกนธรรมะ ทีทนสอนทั่วไปกฎหมายเสียงฌานศีลภาวนาแต่คนสมัยปัจจุบันทันตาคือว่าเรื่องธรรมะเรื่องวัดเป็นของคื่ล่าสมัยไม่เป็นของผู้คนศึกษาเป็นของผู้คนเสาใกล้เห็นว่าวัดธรรมให้คนชือคนราสมัยหนึ่งหัวใหม่ มาอหยาดคิดตรงไปแห่นี้เพราะเขาขาดการศึกษาธรรมะาออการอบรมธรรมะการใส่ควรจิตนิจารณาธรรมะโดยยึนใจแบบนั้นการเกียงธรรมะนั้นผูดเชิงทานการบริจาคโดยส่วนใหญ่รมเคยได้ยินการเส้นเบื่อเกี่องของทาน แต่ถิงอย่างไรทานนั้นก็ไม่ราสมัยผู้ใส่คิดติดตามเรื่องของทานจะมีความเชื่อมบานหันษาในจิตในใจของสนคนที่ทำบุญสุนทานเป็นเรื่องสำลักจิตใจจิตหนีเดียยแน่นโลกภายในให้ตกไปคนที่มีทานประจำตัวแล้วไปสถานที่ใด คนอื่นที่เคได้รับสงฆ์เคราะห์อนุเคระจากเราที่ให้เขาไปเขาจะยินดีเรื่อมใสตอนรับสัตสู่เราอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะเขาเคยได้รับสงเคราะห์จากเราทานจึรื่องของจําเป็นเป็นมหาเสน่ห์อันหนึ่งซึ่งทําให้ผู้คนประชาชนทั่วโลกได้รับความสุขความสบายหากมนุษย์เราไม่มีการ เสียเสี่ใน ม, มีการให้ทานแล้วก็จะต้องได้รับความทุกยากลำบากคิดดูพวกเราที่มีทีวิต่มาได้ก็อาศัยการให้ทานของผู้ใหญ่คือพ่อแม่ดูแลรักษาเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆในสมัยเรายังหาเองไม่ได้หรือ ท, ทำเองไม่เป็นมีอย่างของทานทาน ด้านวัตถุพระพุทธเจ้าเคยสรรเสริญและเคยทามาอย่าว่าฐานะบารามีฐานะอุป ป, ปาลามีฐานะปรมัจ า, า, ารบารามีพระองค์เคยทามาเห็นว่าเป็นของดี น, ด น, นิสเศษยิ่งใดแนะสอนสัพพะสัตให้แต่ทาบำเพ็ญศาสนาที่จะยืนโยงคงอยู่ก่ออาศัยเรื่องของทานอีกเหมือนกัน ก็ถ้าที่ส่สา ม, มาเนนผู้รักษาถ้าทำวินัยไม่มีการทำมาาสายอะไรอาศัยทานของสารว่าให้มาท่านจึงมีกำลังตายกำลังใจประพฤเภททำวินัยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาได้เพราะร่างกายของพวกเราท่านหรือสัตว์พวกไปจะต้องอาศัยอาหารหากขาดอาหาร ร่างกายนั้นก็จะตั้งอยู่นานนด่ได้จะต้องแตกสลายอาหารที่ได้มาบำ ร, รุงร่างกายถ้าที่สื่อสารมาเนียนมาเด็กทํทำเองซือเองหาเอ ง, เ อ, ง, าเ อ, งอาศัยขาลาาขุ่ยตรง น, น, น, นั้นการให้ทานผ่นจินจัตวาเป็นการบำรุงศาสนาเป็นหลงกเหงาของศาสนาอันหนึ่ง คนที่ทำบุญสุนทานเป็นเพืเ่อแผ่คนอื่นเราเคยเห็นมีคนสนลรเสริญมเชยคนเห็นเสียตัวตันนิยโหน่แน่นไม่มีการบริจาคอะไรให้ใครทางนั้นมีใครสละเสริญเป็นมาแบบนี้แต่นัยแะ่ไรเชื่อกระั่างปัจจุบันทานต่างนี่หมายถึงทานเป็นธรรมะยู่พวกเราทุกคน แตควรที่นี่ริญนามาอบรมจิตใจของตนให้เกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นว่าการให้ไปแล้วเสียไปเปล่าไม่ได้าประโยชน์อะไรการให้ด้วยความเต็มใจการให้ด้วยความพอใจมีความตุ่มตี๋ไม่เหมือนเขาขโมยไปพอเราให้ด้วยความเต็มใจของเรา กาให้ทานในอันนี้สงระลึกเมื่อถึงเมือ่อใดพเราได้ให้อย่างนั้นได้ให้อันนี้เราก็ดีใจลืิมใจมในหงอยเหงานื้อันนี้สงของการให้ทานปัจจุบันนอกจากนั้นผู้ที่ได้ให้ทานทําการสุสุลสาหัสผูกเึงไปสู่ทางหลักของศาสนาท่านตรัสว่าทานะนางศักดิ์สิทธิโซปานังทานเป็นบันได ในเด็กไปสอนแต่พวกเราท่านสมัยปัจจุบันไม่ค่อยเชื่อกันเพราะเขาถือว่าสมัยนี้วิทยาศาสตร์เจริญเขาไปแล้วโลกระจันทร์โลกรฟอังคารไม่เคยเห็นปลาศาสตราชสวัางของเท ว, วดาที่ไหนสำหรับตำลาทางศาสนาว่ามีปลาศาสตรที่มานอยู่บน สองฟ้าไว่อยู่สถานที่ต่างๆสิ่งเนื้อแผ่นดินขึ้นไปแต่เข้าไปแล้วเขาไม่เห็นเขาเลยคิดว่าเรื่องของศาสนาโกหกพอกลมแต่เป็นของคริงความจริงเทวดาเป็นพวกที่กายสิทธิ์ตาธรรมดาอย่างมนุษย์ส า, ารเราไม่สามารถที่จะรู้เห็นแม่แต่เป็นอยู่ในสารา ของเรานี้ก่อตามเราค็ไม่สามารถที่จะเห็นเทวดาว่ามีมาอย่างไรนี่คือตาธรรมดาที่มีตายานภายในเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยในเชื่อเรื่องเหล่านี้เทวดานั้นอาศัยบุญกุศลผลศีงทานท้องตนสี่เคยเป็นมนุษย์ได้ก่อล้างสร้างเอาไว้ พอลมหายตายไปอํานาจของบุญปุ่สนร่งเสียใส่ไปเกิดเป็นพวกเทพเป็นผู้ชายก็ก็เดี๋ยวเสียพระบุตรเป็นผู้หญิงก็คอยเสียพระเทพพระดาพวกเรานี้นี้จะจะยกมาให้ดูอย่างชัดเจนบางคนดูยากเพราะตาของเรามันมืดมันบอด ไม่สามารถที่จะมองเห็นของรายละเอียดแบบนั้นได้อยากรู้อยากเห็นขอฝึกจิตอบรมใจท่องสอนให้เกิดญาณคิดสามารถเห็นเทวดาเป็นอย่างไรรูปร่างของเทวดาที่แปลกแตกต่างกับมนุษย์มนาของเราเพราะมัได้เกิดในคันเกิดขึ้นโดยอานาจบุญปุญสนเดียอุปจิตตเกิดโตจะเรียขึ้น วดเร็วแล้วก็ไม่มีการแกะเท่าเหมือนมนุษย์พวกเรารูปร่างเสอยสดงดงามผิดแปลกแตกต่างมนุษย์ท่านจึงว่าสวยเหมือนเทวดากว่าเพราะเทวดาสวยถ้าหากผีดยที่เรื่องเหมือนผีท่านท่านผีเราเคยเห็นผีเป็นอย่างไรเทวดาเป็นอย่างไรแต่คําเหล่านี้เคยมีมาใส่จาโลกเคยได้ยินผู้เท่าผูแจะ พูดกันมาความจริงท่านจี่เห็นเทวดาจะทราบสักว่าเทวดากับมนุษย์คิดกันขนาดไหนทำเวยสดงบงามตามตรับตำราทางาศาสนาพระพุทธเจ้ายังทรงพระสนอยู่วันนั้นพระอนุตา <c oughs> น้องชายของฉันนันทะกุมาร แต่งงานกับนางคนนบทตะระยันถึงเป็นสาวสวยนเขียนนั่นแหละสมัยปัจจุบันอย่างทุกวันนี้ก็คเจะเป็นสาวสวยของโลกหรือของประเทศเยอมากแต่คงจะด้วยพยานของพระพุทเจ้าสามารถเข้าใจว่าน้องใจของท่าน นันถ้าผูมานมีอุปนิสัยที่จะเป็นท่าอารหัตอรหันดาถ้าปล่อยเอาไว้ไม่เอาออกก็เพื่อพอมาจัน์คืออกบวดก็อไม่มีวันเวลาที่จะเป็ยนตำละสะสังติใจของตนให้ดีที่สดพอแต่งงานวันนั้นพระเจ้าจุโททนะจึงเป็นพระราชบิดาได้นิมน้าไปฉันจังหันในราชวัางในพิธีงาน พอสันเสร็จก็ทรงบาทเห้นันทะกุมารตามตกท่านท้ายู่บันแต่งงานนะพอตามทรงบาทให้ก็อาศัยความเคารพในที่ในพระพุทธจ้าก็รับอบาทลงจากปราสาทไปนางจรยิยญาสนบุตรเจริานีก็สั่ง พระลูกเจ้าไปแล้วสิบกลับมานะทำสั่งนี้พอไปฝังในจิตในใจพอไปถึงวัดพระพุทธเจ้าแทนที่จะให้ปรับ ก, <c oughs> ก็เลยให้บวช <c oughs> บวชไหมนั้นท้าอย่างนั้นใครจะว่าไม่บวชกลอกตัวหรื อ, พอรพกเลยรับมบวชทั้งทั้งที่ในมีศรัทธาในใจแม่ น, นิดเดียวก็ยอมรับบวชพอบวชแล้วจิตใจใส่คิด ถึงแฟนของตัวซึ่งแต่งงานวันนั้นยังไม่อยู่ร่วมกันเค็งลงอยู่อย่างนั้นหงอยเหงาเจ้าจุกไม่มีการเจริญสมถธรรมอะไรพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นพระองค์ก็แกไขโดยอุบายที่ทีนำนันทะไปดูพวกนางรีนางข่างตามป่าเออยู่ในป่า มีลคมีขให้ดูพอไปเห็นนางลีนนางข้งา ง, าง เ, เ็ยังไงนานชักเป็นน้บทการยาณีของเธอสวยขนาดนี้ไหมโบสถพอะพุทธเจ้าแต่เนต่าต่อเพราะหาว่าพระพุทธเจ้าดูเหนียนินทาว่านางคนโบสถารยาณ์นั้นเหนียองตัวเหมือนลีนาอบไหมลนขา สวยไหมอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกว่าไม่ชอบอำนาจจิทเิฤทธิอำนาจของพระพุทธเจ้ามีอำนาจเหนือมนุษยธรรมดาสามารถบันเดนินบรรดาลภาลาทะไปดูนั่นนันถ้าไปดูพวกเถิดพัดดาพอไปเห็นเถิดพัดดาลืมหลงหมดจนบทสรยานิสึ้นเคยจิจิดจิตใจมาก่อน เพระเทวดาเป็นผู้หญิสวยมากทีกเปงทุกอย่างชอบจิตติใจของคนที่มีลาภกันหาเป็นนันทะลืมมนุษย์เป็นเทวดาอยากจะมาอยู่กับเทวดาอยากจะได้เป็นภรรยาความคิดนในจิตในใจเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทราบว่าไรจิตถามยังไงนั้นทะชอบไหมหเทวดา ชอบพระเจ้าค่ะอยากได้ไหมอยางได้ถอยะได้ไม่ยากเร่งรีบประพฤติปฏิบัติอาถทําเข้าพวกเหล่านี้ใช่ไหเป็นเทิดพระบูฏเทิดพระทิดาร้วนแต่เขาประพฤคุณงามความดีทั้งนั้นความเป็นเทิดพระบูฏเทิดพระทิดาเกิดมาจากการทําความดีเธอต้องรีบทําความดีนี่เป็นคำรับตั่งของพระพุทธเจ้า พอกับมาทิ้งวัดถึงวง่งนั้นทะซึ <c oughs> ่งไม่เคยเดินกยมภาวานาก็ตั้งหน้าตั้งต า, งตาเดินกยมภาวานาเพราะอยากได้เจ้าพระิดามาเป็นภรรยาของตัวนี่ามนึกคิดพอไปเห็นแล้วถามถึงว่าพนบุตรรยานี้กับเทวดาผวกนี้ใครสวยกว่ากันนี่เป็นทำรับสั่งถามเดี๋ นันทะต่อว่ยาชนบทตะไรานี้็ะไรแปลกอะไรแต่เกี่ยวกับเท ว, วดาแล้วกับพวกลีนทานน่างเหมือนกันอะไรความสวยงามที่แปลกแตกต่างกันขนาดนั้นเท ว, วดากับมนุษย์สามัญธรรมดาราธะ <c oughs> นันทะก่ตั้งนาตั้งตาเพื่อปฏิบัติเดินจงกามภาวนาพราะลูกนะุน่นมาเห็นก็มาพูดเล่น อยู่ยังไงนั่นพระของการเทวดาเดินโยมเกิดจะเอาเทวดาเป็นชายาหรือคนนั้นต่อมาเห็นเขาบอกว่าโคตรอยู่ยุทำความเพียงเพื่แลกเปลี่ยนเทวดาหรืออย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเกิดละอายในใจเยังที่อยากจะได้เทวดาก็เลยหายไปตั้งใจ ทั้งรวมกินที่ทั้งตัวคิดถึงจิตใจว่าไะไมีขอ้อผิดสมัยที่เป็นพระราชาอยู่ก็ไม่มีใครในโลกที่จะรักที่จะชอบที่จะยินดีเท่ากับนางสนบทกรยานีพอมาเห็นเทวดาแล้วจิตใจปล่อยทิ้งสนบทกรยานีจินนบค้งองในเทวดา จิตนี้มยุติธรรมเห็นอะไรจิตไปเรื่อยๆท่านต้องรวมจิตที่นี้ที่เรนาเอาไว้เยะวะว่าขาดขันจนจิตใจของท่านตั้งมั่นเป็นพระอรหัต์อรหันต์นี่หมายถึงหย่ง น, นันทะเป็นพระอนุชารองชายของพระพุทธเจ้าที่สัง่าวไว้เรียวว่าดานั้น จปนของสิ่สวยงามแตกต่างมนุษย์มากที่สุดความสุขของเทวดาก็มากกว่ามนุษย์เพราะมันเดิ น, านาทาข า, า, ายมันจะทำอยู่ทำจริจนอาศัยของทิศที่สร้างเอาไว้โดยแรงของทานศีลภาวนาบรโดนบัรดาให้อยากนุ่มห่มอะไรสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นอยากอยู่กินอะไรสิ่งนั้นก็โดนบันดานขึ้น ชีวิตของเทวดาเป็นอย่างยืนและความสวยงามแตกต่างกับมนุษย์เราหนึ่งอย่างที่สาหรับตาราทางสาวไว้คนส่วนใหญ่ตัวพืชปฏิบัติอาธิธรรมปกครองตายไปเป็นเทวดาตายไปสวรรค์ด้ความคิดกันโดยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นในว่าบ้านนอกในเมืองอยากจะไปสุคติโลกสวรรค์ความคิดกัน แต่ต่อไปได้หากเราตั้งมั่นอาศัยคุณทานศีลภาวนาสามารถใจได้แต่เทว ด, ดาก็มีการสิ้ิเพื่อมีการหมดบุญแต่เทว ด, ดาตายไม่ได้เขาศพหรือฝังศพอย่างมนุษย์หายไปศพไปถิ้งเอาไว้เหมือนมนุษย์เราเวลาเกิดก็ไปเลยเกิด คองกับพันของไก่เะเกอดในปลาศาสของไก่แตถือว่าเป็นบริวารของคนนั้นตามสำหรับตำราเก่าผู้ที่เคยคิดพิจารณาอาจทำก็เคยเห็นเอย่องของเทวดาว่าเป็นอย่างไรทราบชัดว่าเทวดานั้นมีความผิแปกแตกต่างกับมนุษย์เป็นอันมากแต่จิตของผุุ้ชนคนหนา ไม่สามารถที่จะเห็นเทวาดาก็ไม่เชื่อและถ้าหาเทวาดาโดนบันดาลให้คนผู้ทุกชนเห็นคนนั้นก็จะลหลงไหลถ้าเป็นชานเิเนก็อาจจะทำลายความจั่งมีได้เพราะใครคิด้อบิดในรูปของเทวาดาแต่นั้นที่นม่เห็นเป็นการดีแต่ผู้ที่เห็นถันนี้การาม เปลยนไปภายในตั้งมั่นพอสมควรแล้วเป็นเรื่องที่จะทดสอบสิตใจว่าเราเคยมีราคาตัณหาจิตลูกเสียงเรื่องราวต่างๆเราได้พิปฏิบัติมาพอสมควรจึงเข้าใจว่าจิเหลือตัณหาหมอกลาบหรือหดหายไปไม่มีอะไรภายในใจรูกจิตใจติดข้องต่างๆนามาคิดปรุง ก็จะให้เกิดตัญหาราคาเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอาศัยธรรมะเพราะอาศัยานสมาบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นระยะบางการบางเวลาอาจจะรู้จะเห็นเทวาดาแล้วก็ทดตอบสีเทวาดาเสือสดงามขนาดนี้ติดนี่จะเพี่มไปไหมชอบไหมติดไหมมีอะไรในใจอีก จะจะละจะถอนเรื่องของใจตัวเองนี่ผู้บวชปฏิบัติท้ามาที่จะรู้เห็นเป็นไปได้นีหน่หมายถึงผู้จิมุ่งหวังพบชาติต่อไปสร้างคุณงามความดีเอาไว้จมที่เราสั่งไว้จะโดนบันดาลให้เกิดในสถานที่สมหวังอยากเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาได้ตามปรารถนาของใจอานาจของทานของศีล เดบิบรรดาลให้อย่างนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญผู้ฝึกเยนายวายเกิดแจ่ศึกษาจะประพฤติปฏิบัติกายว่ า, ายใจใจทงตนให้ดีทำจึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับคนผิดยังข่องสึกอยู่ในโลกประพฤติปฏิบัติกันคึกจึงศีลแล้วจึงเป็นเรื่องสําคัญาหากทุกท่านทั่วโลกมีศีล ความเป็นอยู่จะพาสุขขนาดไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นการขาดที่รักศกศกซิงกั น, กสกสกนต่างๆจะมีไหมไม่มีมีแต่ความสุขความสบายไหวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันการสะทุิรลวงเจณฑ์บริเณนี้ด้วยการโฟหกพกลมตลกหลอกรวงมันไม่มีแค่ศีนหาเท่านั้นโลกนี้ก็จะเป็นสุขมากหากทุกคนี อาวุธยุธโทโรปกรณ์ต่างๆทิ่งลงทะเลเชก็ได้ลเลเ้ยวไปซ้ายเป็นประโยชน์่วนเองไม่ต้องเอามาไว้ประหัตสหารกันสถ า, านที่อย่างสาราสี่จักขังคนชั่วคนเสียคนต่อพิศไม่ดีไม่งามมีอยู่ทุกประเทศถ้าคิดแล้วสถ า, านที่ยินเหล่านั้นถ้าหายเป็นจานวน เงินมากๆเหมือนกันไปจักขังคนชั่วคนเสียเอาไว้ถ้าหากตัวเพชตัวดีทุกคนไปสถานที่นั้นก็ได้ทําประโยชน์ส่วนตีในต้องเลยเอาคนไปตักไปถังเพราะต่างคนต่างตัวเพชรดีมีศีลในใจในใจของตัวนี่ศีลกาเป็นของสําคัญที่พวกเราท่านควรจะงวนควรรักษาควรตัวเพชรปฏิบัติผมมีศีล ไมจจำตัวไม่ทำตัวทีวิตคนนั้นเบีนลงหยุดยาวเพราะไม่เบียดเบียนเขาไม่ฆ่าเขาไม่ถูกเขาเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บอดออดแอะๆจะคอยมีถูกอุปัติเหตุตา่างๆเพราะอำนาจของศีลจิตใจรักษาคุ้มครองป้องปกให้เราอยู่สุขสาํานนอกจากนั้นการประพฤติการเรนนียนศู้าราารต่อตรงกันข้าม ได้ลูกได้ขัวมาได้เนื้มาบอกนอน้อนง่ายประพิษในขอบเขตเป็นคนดีมีความสุขไม่ทะเลาะเบอแหว่งกันเรื่องต่างๆอาจจเลยไม่มีใจของเลยมีความสุขครอบตัวขัวเนี้อถืก็ลงในหน้าหนังเชีพิมพ์ไปลงข่าวออกอากาศตรงนั้นกันใจเลยเย็นบ่อยเพราะความ เสียหายในด่านการเมียศิษย์สาาจารย์ในต่างหนาต่างชารักษาตรงไปตรงมาต่อกันอย่างสาววัดโกหกโคกลม้มเกิดมาในชาติใดพบใดหากคนรักษาไดา้ก็มีลมปากตับติดมีผู้เคารพนับถือพูดอะไรเขาก็เชื่อฟังศีลเป็นของยดีของดีอย่างนี้ผู้ที่มีศีลประจำ กายประจำบายจาจะไปจะมาสถานที่ใดสะดวกสบายสง า, าพาเผยไม่เป็นโทษเป็นภทยไหนอ่ะเพราะอำนาจของศีล ร, ร, รักษาชร่อว่าธรรมโมเหรได้รักชิตธรรมมารินทารักษาผู้ประพฤติทำถึงเขาชั่วเขาเสียเขาทุกข้อยยากเขาลำบากต่างๆนานา้วยอำนาจธรรมที่เรารักษาทำทำขารักษาเรา ในอยู่สุขอยู่สบายไปสถ า, านที่ไรก็ไม่มีภัยอันตรายเหยียดเดียนจึงควรรักษาควรอบรมธรรมะให้มีในตัวของตัวด่านภาวนาเลาก็เป็นของสำคัญจะไปพีไปเชื่อคนที่ไม่ไ ด, ด้ศึกษาคนที่เกี่ยวขอปัญหาผ่มทับไม่ได้เราต้องเลือก ฟังเดือดคิดที่นี่ที่จะราาอะไรถูกผิดมีเหตุผลเราจะต้องจับเอาอันนั้นมาแนะนำถ้ำสอนตนนิใัยว่าเขาพูดอย่างนั้นเขาก็เป็นคนนิเคยศึกษาเรียนมาสูงแล้วเราจะเชื่อไปถ่ายเดียวไม่ได้ความเชื่ผิดนิจฉาทิดผิดมีผัวไปไม่ว่าผู้ศึกษาหรือผู้ไม่ได้ศึกษาที่เหนือตัญหาไม่เคย รัวขี่หลังนั่งคอมาด้วยกันทางนั้นการศึกษาที่ไม่ได้ไปที่บัตรไม่รู้เห็นชัดด้วยจิตใจของตัวซึ่งไม่ควรเชื่อเราต้องมาที่นี้พิจารณาคิดอ่านใจ ต, ตองอาเหตุผลเพื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้องคมสอนของุู้ได้ากไม่เห็เชื่องมงายเชื่อ้วยเชื่อ้วยผล พิจารณาแยยเชื่อก่อนถึงกอเชื่อใครจะเชื่อการเชื่อการตกลึรทการภาวนาอันิสงส์ท่านก็กล่าวเอาไว้ผู้ที่ทานเกิดให้ทานเสิดไปชาติใดพบใดจะไม่อดอยากยากจนเขาของเงินทองเงิ้ใช้ต่างๆจะหาง่าย หากมันจะเกิดเป็นเทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์พอเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ปูนสุกเกิดในกองเงินกองทองไม่อดอยากใครล่าไม่ต้องการอย่างนั้นต่างท่านต่างคนต่างกองการเปเหตุใดไรเล่าจึงเกิดชิที่เพราะไม่มีบุญวาสสน์อย่างไรกางสมบุรณ์มาจะเต่าก่อนมันถึงจะเป็นตัวแบบนั้นรูปร่างกายก็เหมือนกันใครเรา ศาสนาโลกไทยไทยเกิดไทยเราปรารถนารูปร่างกายชีวิตคือ อ, ะ, ดดอะไม่มีแต่ก็ได้กันผมเถอะเพราะเหตนใดเพราะบุญหลักศาสนาไม่มีจำเป็นจะต้องได้เฉลยจำของตัวที่เคยก่อนร่างสั่งไว้แต่พบก่อนขาดก่อนในทางศาสนาการสอนให้เชกิดจำ การภาวนามีก ay, ารรักษาศีลมีอายุยืนมงเวนไทยการภาวนามีความสุขเยอะสลาดในใจ